สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออากาศทางรอดอคลื่น747นะคะเริ่มตั้งแต่8นาฬกา10นาทีถึง8นาฬิกา35นาทีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิตเรียบเรียงโดยท่านอริโยพิขุก ค, ค่ะ ท่านผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการแสงเทียนเสียงธรรมนี้ได้สองรายการได้กันอีกครื่นหนึ่งรับฟังได้ที่พหมอส .2 อความที่963เวลา 19.30 ถึง20นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกันนะคะและในโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟังบางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิตเป็นตอนแรกคะ่ะ